วันนี้ท่านทั้งหลายได้มาเยี่ยมมัดต่อต่างๆทางโอกาสที่เหมาะสมมาเยี่ยมผู้ป่วยที่คุณเพาด้วยคุณเพาเก็รักษาตัวที่โรงพยาบาลก็ได้รักษามาเต็มกำลังความสามารถ จากนั้นก็มารักษาที่นี่พอพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกับว่าวัดป่ามันตานี่เป็นโรงพยาบาลแต่ละหมายถึงเรื่องธรรมโอสฐคือมาเพื่ออบรมจิตใจที่เรียกว่าภาวนาและฟังคำ อบรมของพระท่านสแสดงให้รักษาจิตใจอยู่เป็นประจำในยาบททั้งสีส่สนยาก็ทานไปส่วนจิตก็ยึกทานไปอีกเหมือนกันทานธรรมะเข้าไปได้ยินได้ฟังจากครวอาจารย์ท่านสอนบ้างอบรมตน โดยเฉพาะที่เรียกว่าจิตภาวนาบ้างมีเรียกว่ารักษาจิตด้วยธรรมกายเรามีการรักษากันแต่จิตใจไม่ค่อยมีการรักษาเพราะฉะนั้นแน่ความสุขกายสบายใจของนอนความมีอยู่บ้างแต่ความสุขทางด้านจิตใจไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ไม่มีแต่ส่วนย่อยมีส่วนกายนี้น่าจะมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าเป็น สิงที่ใจโตพอส้สมควนจิตไม่มองเห็นก็ตามแต่กายก็จะต้องเป็นส่วนย่อยของจิตใจจิตใจเป็นส่วนใหญ่เรียกว่าเรื่องใหญ่แต่แทนที่เราจะได้บำบัดรักษาจิตใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นรากฐานสำคัญของส่วนร่างกายไม่ค่อยจะมีการเลี้ยงแลกันหากว่าจิตใจนี้เป็นเดียกับร่างกายแล้ว ต้องแหลกเหลวไปนานแล้วไม่สามารถที่จะคลองร่างกายมาได้จนถึงขนาดนี้เลยแต่เพราะจิตมีความเงือนหนามันคงนิทนทานอยู่มากในการกระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่ต้องเข้าไปสัมผัสภายในจิตใจทั้งนั้นไม่ว่าจะมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สืบเนื่องมาจากหูเสียงกลิ่นวัเครื่องสัมผัสจะต้องไหลรวมลงสู่ใจเช่นเดียวกับน้ําฟ้าต่างๆไหลรวมลงในมหาสมุทรทะเลนั่นแหละ ส่วนมากก็มีแต่ของสปกปรกหลรวมหนึงไปสู่จิตใจซึ่งเป็นของสำคัญแต่กลายเป็นพาชนะสำหรับใส่ขยะไปเสียจึงหาความแปลกประหลาดหาความสุขความสบายไม่ได้ดังนั้นการที่มาอบรมศีลธรรมทางด้านจิตใจเป็นเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับส่วนใหญ่ คือใจซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของร่างกายหากว่าใจมีเหตุมีผลมีอัดมีทาอยู่ภายในตัวเองแล้วน่อจะระบายออกทางกายทางวาจาก็ถูกต้องโดยเหตุโดยผลทําการกระทำอะไรไม่ค่อยผิดพลาดใจก็มีความสุขกายก็เป็นปกติของกายหากว่าจะเกิดโรไคไข้แพ้เกยบขึ้นบ้างก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายกระเพืนเข้าไปถึงใจจนกลายเป็นโรคแคนี้นหนึ่งขึ้นมา ออการอบรมธรรมะเข้าสู่จิตใจจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งทางสอนว่าบอกพระพุทธศาสนาพุทธะก็แปลว่าผู้รู้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งเห็นจริงประโสดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของศาสนาตราต่อมาแต่ละประโยคแต่ละคำนี้ล้วนแย่ตั้งแต่เป็นสิ่งที่ชอบโดยความจริงทั้งนั้นไม่มี ผิดพาดคาดเพื่อนเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายพูดกันธรรมดาสามัญชนเราพูดกันนี้พูดไม่มีเหตุมิตไม่ค่อยมีเหตุมีผลไม่มีขอบเขตกว้างแคบลึกเก้นอยาายละเอียดว่ากันไปแล้วแต่น้ําลายจะพาวงฟุ้งไปได้หมดวันนั่งคำกว่าเป็นไปได้แต่หาประโยชน์ไม่ค่อยได้และความสนใจที่จะให่ควรตามคําพูดคําจาทั้งของเขาท้องเราเพื่อเอาผลประโยชน์มาประพฤติปฏิบัติ ให้เป็นความสุขสบายทำด้านจิตใจและหน้าที่การ ง, งานไม่ค่อยมีเพราะเหตุไรเพราะคำพูดเหล่านั้นไม่ค่อยจะเป็นสาระเท่าที่ควรจะนํามาพิิจารณาถือเอาเป็นประโยชน์แต่คําพูดของพระพุทธเจ้านั้นออกมาจากความสัตย์ความจริงคือออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ล้นล้วนซึ่งเป็นธรรมทั้งดวงภายในพระทัย เมื่อแสดงออกมาแจ่สัตว์โลกก็แสดงออกมาด้วยความเมตตาอย่างยิ่งอยู่เมตตาอย่างถึงใจการสั่งสอนชั้นโลกไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นประโยคหรือเป็นภาระอันหนักมากสำหรับศาสดาที่เป็นครูของโลกทั้งสามนี้ไม่เพียงเป็นครูของมนุษย์เท่านั้นยังเป็นครูของเทวดาดังที่มีในหนักธรรมว่าสัตาเทวมนุษย์สารังพุทโธภคะวะนะ คือเป็นทั้งครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเที่ยวแจกเที่ยวแบ่งอัรรมเพื่อให้เข้าถึงจิตใจของประชาชนแลสัตว์ทั่วๆไปในรับความสุขความสบายเหตุใดจึงต้องเที่ยวแจกเที่ยวแจงเที่ยว แ, แนะนํา ส, สอนก็เพราะว่าสัตว์โลกนั้นงโง่สิ่งที่ตายเห็นอยู่ก็ผิดหูได้ยินอยู่ก็ผิดอะไรๆที่สัมผัสสัมพันธ์มาคอยติดตะคิดไปเรื่องเป็นความผิดทั้งนั้น เนื่องจากความโง่เขาอยู่ภายในปิตใจพาให้ผิดสิ่งที่เห็นอยู่รู้อยู่ก็ผิดไปได้ด้วยพระท่านทรงเห็นเหตุเห็นผลของสัตว์โลกเป็นอย่างนี้จึงเน้นนาพระโอวาทที่ถูกต้องมีงามมาสั่งสอนทเรียกว่ า, าศาสนาและาศาสนานั้นท่านสอนเพื่อใครนอกจากเพื่อเราเท่านั้นพระองค์เองก็เป็นผู้บริกบุด ถึงมีมุทพนิทานแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ที่แรกเขายมีความจําเป็นอะไรที่จะต้องเสียวหาแบงง่งสันตันส่วนออกจากบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายจากการสั่งสอนอบรมไม่มีแต่แม้เช่นนั้นก็ภาระใครในโลกนี้จะสู้ภาระของพระพุทธเจ้าได้เราเพียงทําการทํางานเพียงเล็กน้อยกับบ่นอุปอิบอุบอิดวันยังค่าคืนยุน่งอยู่ในสถานที่ใดก็มีแต่คนบน่นพระพุทธเจ้าทําประโยชน์ให้โลกมากมายตั้งสามโลกธาตุสั่ง แล้วทำไมถึงไม่หนักขนาดสามโลกนะมันมีจำนวนมากอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ซึ่งจะเกี่ยวจิตเป็นภาระแนะนาสั่งสอนแม้ี่สุดขณะที่จ ะ, ร, ะรินิพพานก็ยังต้องมีสารโลกเข้าไปเกี่ยวข้องมีสุทธาปริพาชคเป็นต้นเข้าไปทูนถามปัญหาถูกพระอนุณจีดกันเอาไว้กลัวจะเป็นการไปรบกวนพระองค์ให้มีความลําบากในพระกายขณะที่จ ะ, ร, ะรินิพพาน เนื้อเชนั้นก็ไม่ทรงปล่อยวางพระเมตตาจึงต้องรับสั่งให้สุภธาปริพาชกเข้ามาเนื้อประธานโอวาท ย, ย่อๆเนื้อให้ออกไปประกอบความเพียรก็สมมตสมหมายเวลาได้รับพระโอวาทเป็นที่พอใจจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ออกมาบรรเทนเพียรในตรัสร้ได้บรรลุธรรมในคืนวันนั้นเป็นพระหรหันต์องค์สุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงส่องสอนตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งวันปริพาณ มีพระสุภทพปริภาชกเป็นพระสาวกอราหันองค์สุดท้าย mm hmm. นั่นแต่พูดถึงเรื่องความเมตตาไม่มีล้ละแม้ในสุดขณะที่จะปริิพานก็ยังต้องประทานพระโอวาท mm hmm. ที่เรียกว่ายอดคําสอนว่าอนาดาในพิคเวอามันตยามีโวพิคเวพยาธมาวยาธมาสร้างข้าราอัปมาเดนะสัมปาเดธาดูก่อนพิสูจนทั้งหลายตอนนั้นผู้สุกจะมีแต่พิสษุทั้งนั้น ทันจิงมาพิคอยอันนี้เราเตือนเธอทั้งหลายให้พิจารณาสังขารธรรมซึ่งมีความเกิดความดับอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันด้วยความไม่ประมาทเถิดนะเพียงเท่านั้นแล้วก็ปิดพระโอษฐ์เป็นวาระสุดท้ายคาว่าปิดพระโอษฐ์ก็คือไม่รับสั่งอะไรต่อไปอีกทําหน้าที่ปรินิพานโดยลำดับลำดับ ตั้งแต่ปฐมฌานเข้าปฐมฌานแล้วก็ดุติตฌานตัดิฌานเจตุสฌานเป็นลําดับจนกระทั่งถึงอาก า, สารสันตานชนะที่เรียกว่ารูปฌานสิญญ า, าสันติธาเนสัญญานาสัญญาชนะอากินตัญาชนะเนสัญญาน า, นนน า, นาสัญญาชนะเป็นรูปฌานสี่แล้วก็ก้าวเข้าสู่นิโรธจะมาบัตที่เรียกว่าสัญญาเวทายตานิโรธอะนไปดับเวทนาสัญญาเวทนาอยู่ที่นั่นแล้วถอยกลับออกมา เ ร, เรื่อยๆจนกระทั่งถึงปฐมฌานแล้วเข้าสู่ปฐมฌานอีกพอเก้าพันรูปฌานสี่คือจตุตักรฌานแล้วไม่ไม่เสด็จชานไหนต่ออีกปริิพันในขณะนั้นเป็นอันว่าหมดภาระในการสั่งสอนจารกภาระของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นสุดลงในขณะที่ทรงทาหน้าที่ปริพิพันตั้งแต่วันตรัสลูมาจนกระทั่งถึงวัน ทำหน้าที่จะพระนิพพานในวาระสุดท้านั้นพระองค์ไม่ทรงว่างเลยท่านจึงเรียกว่าพุทธกิจห้านี่พูดถึงเรื่องภาระของพระพุทธเจ้ามากมายเพียงไรพุทธกิจห้าคืออะไรชาันเทศธรรมเทศน์หนังตอนบ่ายสามโมงสี่โมงก็แสดงทาให้แก่ประชาชนมีพระชาธหัมสัตว์เป็นต้นปะปะอะไรปาโดเซ่พิคุโอวาดัง ตอนค่ำตอนสองทุ่มสามทุ่มก็ประทานอุวาสแก่พระสงฆนะ์อัตราเตเทวปัญหากลงปัญหากลงตอนหกทุ่มล่วงไปแล้วก็ทรงแก้ปัญหาเทวดานะประธานอุวาสแก่เทวดาชั้นต่างๆปบาปะเบวิโลการนังพอเก้าทุ่มปชิมยามทรงเลญยานดูสัตวโลกว่าไครที่จะมี อุปนิสัสามารถจะบรรลุทำอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตปู่นหนั่นอย่างภาษาของเราว่าจะตายไปอย่างง่ายงาย่จะต้องเสด็จไปปรวจคนนั้นก่อนนี่แล้วเหล่านี้เป็นภาระทั้งนั้นการพิจารณาเรียนยานูสัตว์โรกก็คือพุทธกิจพุทธกิจก็หมายถึงงานของพระพุทธเจ้าปจุเสปินาปาตันจะ พอตอนเชา้ากบเสด็จบุนธระมาเสวยมีเป็นประจำอยู่อย่างนั้นพูดถึงเรื่งภาระใครจะในโลกนี้จะมีภาระมากเหมือนอย่างพระพุทธเจ้ารับถึงสามโลกธาตุเราจะประกอบความภาคเพียรหรือทำหน้าที่การงานทางเล็กให้น้อยเท่านั้นก็เป็นถือว่าเป็นความลำบากลำบนยิ่งจะภาวนาเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อจะนำความสุขเข้าสู่จิตใจให้มีความเยือเย็นใจบ้างก็ถือว่า ม่าเป็นของยาของลาบากไปเสียมีน้ำซ้ำมาต้นอำนาจวัสนาน้อยไม่สมควรจะทําทั้งหลายเนี่ยให้กิเลสมันหลอกไปทั้งวันทั้งคืนวเวลาจะสั่งสมกิเลสไม่เห็นคิดถึงอํานาจวาสนาบ้างเลยเมื่อได้กิเลสเข้ามาเต็มหัวใจแล้วเกิดความโ ด, ดอดล้นวาแล้วกรบดให้กิเลสเนี่ยบนจะเป็นบดแต่ฝ่ายผลเหตุไม่บนไม่แค่มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์นั้นเพื่อความเหมาะสมไม่ให้เสียการเสียเวลาของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่พอผ่านมานาน กีปีแล้วตั้งแต่วันตกคลอดจากท้องแม่มาจนกระทั่งปัณณีเราได้กี่ปีกี่เดือนเราผ่านการผ่านสมัยผ่านหน้าที่การงานผ่านความทุกข์ความลํำบากมานานเพียงไรประสบพบเห็นในสิ่งต่างๆได้ผลมากน้อยเพียงไรเราได้บวกได้ลบบ้างแล้วหรือ ย, ยังผลที่ปรากฏเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วเสื่อมชูนหายไปไหนเวลานี้ที่เราจะฆ่าต่อไปข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของเรา งานทางโลกนั้นไม่มีสิ้นสุดทําจนกระทั่งถึงวันตายก็ไม่สิ้นสุดต้องปล่อยวางตายจนได้วันตายนั่นแหละถึงจะว่างสําหรับงานของโลกเราเป็นอย่างนี้ไม่ว่าใครๆทั้งหมดใครอยู่ที่ไหนไม่มีว่างมันว่างได้ขณะที่ตายเพราะเหตุใดเพราะความตายมันเหนืองานการทั้งหลายต้องปล่อยขณะนั้นถ้าว่าเราจะคอยเวลาว่างจะไม่มีเวลาว่างเลยจนกระทั่งนุ่นละ่ะวันสิ้นลมหายใจถึงจะว่างเพราะว่างเพื่อสิ้นลม ในขณะที่ยังเป็นไปอยู่นี้พอคิดหน้าอ่านหลังอะไรๆได้ทั้งภายนอกภายในบรรดาจิตการที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนก็ควรจะดอเด่นขนขวาแก่ตั้งแต่บัดนี้แต่พาะอย่างยิ่งคือจิตตาภาวนาซึ่งเป็นอาหารสําคัญอย่างยิ่งของใจท่านเรียกว่าธรรมธรรมโอสถนี่แลเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจให้ปราศจากความพุ่งสร้างวุ่นวายให้เกิดความสงบสุขได้เป็นอย่างดีในบางตน้นของการอบรมจิตใจนี้ก็ท่านให้มีธรรมบทใดบทหนึ่งเป็นเครื่องกากับรักษาใจ แา้งันจะสายแสบปสูุอารมณ์ต่างๆขึ้นจนของที่เคยเป็นไปแล้วก่อความทุกข์ให้ตนได้รับความเดืดอดร้อนอยู่เสมอมันจึงสอนให้ภาวนาเช่นผู้ที่จะภาวนาพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโโหรือจะกำหนดอานาปานทติโดยตามด้วยพุทโธเช่นพูดเข้าโทออกอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นตามแ ต, มต่ลิยนิสัยที่ชอบในธรรมบทใด การกำหนดนั้นให้มีความรู้สึกอยู่ภาในจิตใจของตนโดยเฉพาะเช่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้รู้ขณะที่ลมเข้าขณะที่ลมออกเราจะตั้งลมที่จุดไหนจุดไหนเป็นที่เด่นสำหรับความรู้สึกลมที่มาสัมผัสนั้นเด่นที่ตรงไหนเช่นตั้งจมูกเป็นต้นถ้าเด่นที่ตรงไหนก็ตั้งลมที่ตรงนั้นคือตั้งสติลงที่จุดนั้นลมเข้าลมออกกำหนดให้รู้เช่นเราจะตามด้วยพุทโธพุทเข้าคือเวลาลมเข้ากับพุทลมออกก็โธก็ได้ ให้มีความรู้สึกอยู่โดยเฉพาะกับลมหายใจเท่านั้นไม่ต้องไปหมายถึงเหตุถึงผลอันใดที่นอกไปจากการทํางานคือกําหนดลมหายใจในขณะนั้นฉะนั้นเมื่อเวลาสติของเรามีติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยลําดับปิด ก, ก็มีโอกาสที่จะเลรอดะัวอารมณ์ต่างๆที่เป็นพิษเต็มไปดี ก, ก็จะยังเข้าสู่ความสงบโ ด, ดยลําดับลําดับแม้ลมหายใจที่เคยหายใจว่ายากในขณะที่เรากําหนดเบื้องตน้น ก็จะค่อยกลายไปสู่ความละเอียดเป็นลําดับลําดับบางครั้งจนถึงกับลมหายไปหมดในความรู้สึกนี่เพอาความละเอียดมากละเอียดจนถึงขนาดว่าลมได้หายไปแล้วในขณะ น, นี้ไม่มีเลยหรือแต่ความรู้รวนๆอย่างนั้นก็มีนี่เรื่องของการภาวนาในขณะนั้นจิตจะมีความสงบมากสงบจนเป็นที่อัศาจรรย์ถ้าลม้มลมดับไปไม่มีอะไรเหลือเลยตายก็ดับไปพร้อมกัน คือดับในความรู้สึกไม่ใช่ว่ากายนี่ดับหายไปไหนกายก็นั่งอยู่เช่นนี้นี่แหละแต่ความรู้สึกนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับกายหรือว่าแต่ความรู้ล้วนๆเป็นเอกเทศอยู่โดยลําพังตนเองนี่ท่านเรียกว่าจิตสงบเรียกว่าจิตละเอียดจิตตั้งตัวของตัวในในขั้นนี้นี่เป็นความสุขขึ้นมาในขณะที่จิตสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายการเวลาสถานที่ไม่มีในขณะที่จิตทําความสงบเพราะจิตไม่สําคัญนั่นหมายกับการกับสถานที่เวล า, ลาที่ไหนเลย มีแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่เท่านั้นนี่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการภาวนาหรือเรียกว่าเป็นผลของการภาวนาก็าได้ผู้กำหนดพุดโทโธก็มีธรรมเนก็มีในลักษณะเดียวกันถ้ากำหนดพุดโทโธโดยไม่เกี่ยวข้อกับลมก็ให้มีมีความรู้สึกเกี่กับคําว่าพุโทโธพุโทโธโดยลำหนักไม่ต้องไปขาดไปหมายถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างมีคนมาหลอกว่าเวลาภาวนาแล้วเกิดนิมิตอย่างนั้นมานิมิตอย่างนี้ม า, ามเล้วเป็นบ้านะเนี่ย คนพูดดีเขาพูดอย่างนั้นก็มีแต่ส่วนมากคนที่พูดอย่างนั้นไม่เคยภาวนามาพูดเปล่าๆแบบนั้นหลอกคนคนก็พอที่จะเชื่ออยู่แล้วเพราะมันคนในลักษณะเดียวกันแล้วก็เชื่อกั น, นง่ายๆถ้าว่ามีหลักมีเกณฑ์อยู่ภายในตัวเองมีเหตุมีผลอยู่ภายในตัวเองซึ่งเคยกระทำในการภาวนามาแล้วจําไม่เชื่อกำพูดเช่นนั้นเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้ า, ส, าสอนสัตโลกไม่ได้สอนสัตว์โลกให้เป็นบ้าเย พระพุทธเจาที่เป็นศาสดาก็ไม่ใช่ศาสดามา้ามาสอนสโลกสอนเพื่อเป็นม้าได้อย่างไงผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อ ป, ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสอนไว้โดยถูกต้องแล้วจะเป็นม้าไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้เหตุที่จะเป็นม้านัน้นมันเป็นได้เพราะคําแยกจากธรรมคือผิดจากหลักธรรมที่ท่านสอนไว้เช่นกาหนดภาวน า, พ, า, วนาพุทโธพุทโธเพราะจิตส่งไปรู้เห็นอะไรก็รจิตก็เพลินไปทําม้นเสียจงกระทั่งลืมคําบริกรรมขอ่งตนนี่มีทางผิดได้นี่แหละคนที่ว่าเป็นม้าเป็นบ่อเพราะผิดจากหลักของการภาวนา ผิดจากหลักของศาสนาแล้วก็เอาศาสนาประดมีติโทษหรือตีเตือนว่าภาวนาทําให้คนเป็นบ้านี่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อเรากําหน ด, ดอยู่เช่นนี้ไม่มีอะไรกําหนดคําว่าพุโทโธพุโทโธก็ให้มันรู้อยู่กับใจของเรานี้ไม่ต้องคิดว่าดภาพเห็นสวรรค์เป็นอย่นี้นิพพานเป็นงั้นหรือเทวบุตรเทวดาเป็นงนี้อินพรมโยมยักษ์เป็นอย่างนั้น น, นั่นดังที่เราเรียนมาในแบบเห็นในแบบนั่นท่านเห็นด้วยความจริงด้วยญาณของท่าน ในหลักธรรมาชาติของท่านที่รู้แต่เราไปเห็นไปเห็นด้วยกันวาดภาพโดยคาดคะเนดาเอาความวาดภา พ, าภาพหลอกตัวเองนั้นมันก็เลยหลอกตัวเองจริงๆเพราะตัวเองชอบอย่างนั้นเมื่อหลอกขึ้นมาแล้วผลของมันก็คือความเป็นบ้าฟุ้งซ่านไปหมดนี่เป็นความผิดเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปคาดหมายถึงผลอะไรทั้งหมดนอกจากเราทําความรู้สึกอยู่กับคําบริกรรมภาวนาของเราเท่านั้นนี่แหละ เป็นงานที่จะสืบต่อเนื่องยังผลให้เกิดขึ้นเป็นลําลําดับไม่มีงานไม่มีสถานที่ใดไม่มีอันใดที่จะทําผลให้ปรากฏขึ้นในขณะภาวนานอกจากงานคือคําบริกรรมที่เรากําลังภาวนาอยู่ด้วยความมีสตินี้เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่เป็นหลักรับรองแห่งการภาวนาถ้าจิตกับคําบริกรรมได้สัมผัสสัมพันธ์หรือหรือจิตของเราได้สัมพันธ์อยู่กับลมแล้วจะไม่มีอะไรเรื่องที่เขาพูดโกหกกันมาด้วยความไม่เคยภาวนานั้น มันเป็นรื่องลมๆเล้งๆแต่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงความจริงเป็นดังที่อธิบายมานี้ตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้ให้เราเริ่มภาวนาอย่างที่ว่านี้ผู้ที่ภาวนาอนาปานสตินั้นมีความสําคัญอยู่ตอนหนึ่งแต่ตะกี้นี้ไม่ได้อธิบายให้ถึงเหตุถึงผลของลมนั้นคือขณะที่เราภาวนาไปถึงขั้นลมละเอียดละเอียดลงไปละเอียดลงไ ป, งไปจิต ด, ดูโดยลําดับดับ แล้วปรากฏว่าลมนี่หายไปเลยเหลือแต่ความรู้นวลๆนี่จะเกิดความนิดตกขึ้นมาภานาจิตซึ่งเป็นเครื่องหลอกตนอีกเหมือนกันจึงได้แก้ภูงนี้ไว้เพื่อให้ได้เข้าใจเมื่อปรากฏว่าลมได้หายไปในความรู้สึกแล้วมันจะเกิดความนิยตกขึ้นมาวเมื่อลมหายไปนี้จะไม่ตายเลยหรือน่ะนี่หละหลอกตัวเองพออย่านั้นเขเรียกว่ากลัวตาย เมื่อบิตกขึ้นมานี้ลมก็ปรากฏขึ้นมาเสียเลยได้เพียงขั้นนี้ไม่ตะเลิดละเอียดยิ่งไปกว่านั้นเพราะนั้นเพื่อตัดปัญหาข้อนี้เมื่อลมได้ปราบปวดว่าหายไปในขณะที่เราพอนานนั้นก็ให้ทําความรู้สึกกับตนว่าลมจะหายไปก็ตามไม่หายไปก็ตาม <d ood le> เมื่อจิตยังครองล่างอยู่แล้วจะไม่ตาย น, นะเป็งขณะที่เราหลับลมหายไปหายเราเห็นาหกาหนดกฎเกณฑ์มันเราก็ยังไม่ตายไง ที่เราภาวานาเรายิ่งรู้ละเอียดยิ่งกว่านั้นว่าลมหายไปด้วยความรู้สึกในการภาวานาของเราน่าจะมีสติยิ่งกว่าการหลับนั้นแต่จะกลับไปกลัวนี่แสดง ว, ว่าไม่ทันกณมายาของกิเลสเพื่อให้ทันกณมายา น, นี้จึงต้องทําความรู้สึกตามหลักความจริงว่าเมื่อลมหายไปแล้วจิตยังครองล่างอยู่ไม่ตายเพียงนี้จิตก็ทะลุถึงขา่านละเอียดจนหายไปหมดทั้งร่างกายและลมไม่ปรากฏในความรู้สึกนั้นเลย นี่ชื่อว่าภาวนาเข้าสู่ด้านละเอียดของอนาปานสติบางรายก็ทรงตัวอยู่เป็นชั่วโมงชั่วโมงก็มีบางรายก็ไม่นานแล้วแต่กําลังของผู้ปฏิบัติสิ่งที่ได้รับอันเป็นส่วนผลในขณะนั้นได้แก่กจิตที่มีความละเอียดรู้อยู่โดยลําพังตนเองเท่านั้นคือรู้อยู่โดยเฉพาะในขณะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดทั้งสิ้น นี่ท่านเรียกว่าเป็นเอกขาตาจิตถ้าจิตไม่คิดเกี่ยวข้องอารมณ์อะไรเลยเหลือแต่ความรู้อันเดียวท่านเรียกว่าเอกคัาตาแปลว่าถึงความเป็นหนึ่งหนึ่งก็คือหนึ่งความรู้นั้นเท่านั้นไม่มีสองกับอารมณ์ไม่มีสองกับคำโดยกรรมพวาวนาใดๆทั้งหมดเพราะในขณะนั้นได้ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเหลือแต่ความรู้ที่ทรงตัวอยู่โดยลําพังเท่านั้นท่านเรียกว่าเอกขาตาจิตในการภาวนาเป็นอย่างนี้ยังผู้ปฏิบัติให้ปะ ให้ประจักษ์ภายในจิตใจโดยลําดับถ้าลงได้ทําตามหลักทำตัวอย่างแล้วไม่ไปไหนต้องเข้าสู่ความจริงคือผลที่จะพรรได้รับจะต้องได้รับตามเหตุที่เราดันโนนถูกต้องแล้วที่นี้จิตของเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรพราจิตปรากฏเริ่มปรากฏความสงบขึ้นมานั้นเราจะได้สรุปจิตใจของเราทันทีว่าอ้อความสุขเป็นอย่างนี้ เพราะความสุขพนานจิตไม่ได้เหมือนความสุขอื่นใดที่เคยผ่านมาเป็นความสุขที่แปลกประหลาดอาจิรย์ยิ่งกว่าความสุขใดทั้งหมดในโลกนี้เพราะฉะนั้นศาสนาจึงมีมาประจำตลอดทุกวันนี้ไม่นั้นศาสนาทู้นหายตนานแล้วเพราะรสชาติของศาสนานั้นสู้รสชาติของโลกไม่ได้คุณถึงกับรสที่ยอมก็สู้โลกไม่ได้ความแปลกประหลาดอจาจิรย์ในดๆนสาระสําคัญก็สู้โลกไม่ได้ศาสนานล้มไปนานแล้วไม่มีใครสนใจ แต่นี้พราศาสนาเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าโลกใดๆทั้งหมดในบรรดาสามโลกนี้เพียงแต่จิตสงบเท่านั้นเราก็เห็นความแปลกของเราแล้วภายในร่างกายจิตใจเราซึ่งไม่เคยแปลกไม่เคยเห็นความอัศจรรย์ที่ปรากฏขึ้นมาเพราะความสงบนั้นเลยแต่ขณะที่พอนาจิตได้มีความสงบขึ้นมานะพอจิตได้รับความสงบเป็นผลขึ้นมาแล้วเรื่องความเพียรความอุตสาห์พยายามหรือความขยัน ความมีเวลาเวลานั้นมาเองมากับความพอใจมากับความเชื่อที่เราได้เห็นผลนั่นเป็นพระจักพยานแล้วเรื่องเวลาเวลาก็ดีสถานที่อะไรที่คนจะทำภาวนาทาความสงบใจหรือทำความเพียรทางหน้าจิตใจไม่ต้องถามเมื่อจิตมีความพอใจแล้วมันสาะแสวงหาได้เองทีเดียวนีนะ่ขั้นหนึ่งของการภาวนาวิธีการภาวนาเป็นอย่างนี้นี่เราพูดถึงขั้นภาวนาเพื่อความสงบ ทีนี้ขั้นของปัญญาที่เรียกว่าวิปัสสนาแท้ดังที่เราพูดกันนั้นเป็นคําพูดติดปากว่าไปทําวิปัสสนาคําว่าวิปัสสนาแปลว่าความเห็นแจ้งด้วยการพิจนารณาโดยทางปัญญาแต่เมื่อพูดรวมๆแล้วเรียกว่าภาวนาที่ครอบทั้งสมถะวิปัสสนาแต่เราจะพูดว่าวิธรมิปัสสนาก็เข้าใจกันว่าทําภาวนานั่นแหละขั้นวิปัสสนาจริงๆก็คือการพิพิจิจารณาเมื่อจิตมีความสงบ ร่มเย็นแล้วจิตย่อมมีอุบายต่างๆไม่เมื่อเราพาคิดพาพิจารณาแยกแยกถาดขันเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเคยได้อ่านแต่ตำหลักตำหลักว่าอานิจจังอยู่ที่ไหนทุกขังอยู่ที่ไหนเห็นแต่คนนั้นแก่เห็นแต่คนนี้ตายเห็นแต่คนนั้นทับทากหลายจากกันตัวของเราก็คือตัวทับทากตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันโอปัญโกนเล้าเข้ามาสู่ตัวของเราแกมาทุกวันทุกวั น, วนตั้งแต่วันตกคลอดออกมาแก่ขึ้นมาเรื่อยๆแกมาโดยลดับแปลสภาพมาเรื่อยๆนี่เดียว อ, อนิจจัง ความทุกข์กติดเนี่ยมันตั้งแต่วันเกิดขนาดที่ตกทอดลงมานั้นสลบสลายตัวเตองของเด็กนั้นไม่รู้ตัวเลยความทุกข์เบื่อประมาณบางรายก็ตายได้ตั้งแต่อยู่ในท่องตกทอดลงมาตายก็มีเพราะทนทุกข์ไม่ไหวเรื่องความทุกข์มันติดเนี่ยมาตั้งแต่นโน้นจนมาทั้งบัดนี้เรายังจะสงสัยเรื่องอันนี้จังทุกขังตาที่ไหนไปอีกความอันนี้จังทุกขังตาอยู่กับตัวเราอย่างสมองคนอยู่แล้วอันนี้จังทุกข์ความแปรสภาพแปรทุกขณะแม้แต่เวลานี้นั่งอยู่สักครู่เดียวมันก็เหนื่อยแล้วน่ะมันแปรแล้วธาต อนาตตาเราจะถือเอาสาระแก่นสารอะไรในธาตุในขันอันนี้มันก็มีแต่กองดินน้ำลมไฟที่ประชุมกันอยู่แห่งธาตุเท่งนั้นทั้งเรียกว่าธาตุสขันก็เรียกว่าขันห้าคือรูปได้แต่ร่างกายทั้งเรานี้เป็นขันหมายถึงกองเป็นหมหรือหมวดเนี่ยเวทนาคือความสุขความทุกข์เฉยๆนี่ถ้าเป็นเป็นหมวดหนึ่งหรือเป็นกองอันหนึ่งสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงเนี่ยวิญญาณความรับทราบทั้งห้านี้ท่านเรียกว่าขันห้าในขันห้านี้มันมันมีสาระอะไรอยู่ภายในตัวของมันพอจะยึดจะถือว่าสิ่งนี้เป็นเรา นี่หมายถึงหนุนนิปัสนาแล้วที่นจะแยกให้หาความจริงแยกให้เห็นความจริงที่มีอยู่ในตัวของเราแต่เราโง่ไม่สามารถที่จะมองเห็นความจริงนี้ได้จึงถือนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราเพราะอะไรมีความเปลี่ยนแปลงไปบ้างเกิดความใจอกใหจใจกลายเป็นโรคจิตขึ้นมาภายในภายในตัวเองโรคผิตคือโรควุ่นวายโรคทุกข์โรคร้อนนั่นเองหมายถึงว่าโรคผิตจนกระทั่งถึงเป็นบ้า น, น, นัมันมันหนักมากเกินไปมันก็เป็นบ้าไม่มีสติเมื่อเราพิจารณาแยกแยะด้วยปัญญาของเรานี้เราจะเห็น อุบายของปัญญามีความสามารถที่จะตัดกิเลสออกได้เป็นตอนๆหรือเป็นระยะๆ ร, ร, ระยะจนกระทั่งสามารถตัดขาดออกได้หมดภายในขันห้าซึ่งยึดเหนี่ยวหรือเกี่ยวโยงไปหมดนี่ว่านั่นเป็นเราอันนี้เป็นของเราจิตกับขันห้าเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกเวลาปัญญาได้แยกแยกพิจิพิจนารณาด้วยอํานาจของความเฉลียวฉลาดที่เคยฝึกหัดปัญญามาจนชำนิชำนาญสามารถแยกออกได้ ลูกก็ทราบว่ารูปเวญทนาสัญญาสังขารมิยานแต่ละอย่างทราบว่าเป็นสิ่ง น, นั้นๆๆ้แต่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นนั้นแยกกันแล้วโดยลำหนับหนักจนกระทั่งสามารถแยกกิตกับกิเลสอาชมะซึ่งฝังโจมอภายในกิจนั้นได้ออกโดยไม่มีอะไรเหลือภายในกิตนั่นแหละท่านเรียกว่าพุทโธแท้ผลของการปฏิบตัติกิจตาภาวนาเมื่อถึงขั้นสุดท้ายแล้วได้แก่เป็นพุทโธแท้เช่นเดียวกับพุทโธของพระพุทธเจ้าแต่ว่นี่หมายถึงพุทโธของพระพุทธเจ้าโออ่ะ องนั้นแท้แต่หมายถึงพุโทโธของเราทเทียบเคียงกันได้ความบริสุทธิ์นี้เสมอกันกับพระพุทธเจ้าแต่พุทธวิสัยกับสาวกเวิสัยนี่ผิดกันความสามารถอ่านรู้ด้วยการแนะนําสั่งสอนความเฉลียวฉลาดนี้ทวยเจ้าต้องสมภูมิพระองค์ท่านแต่พวกเราก็เต็มตามภูมิของเราสําหรับความบริสุทธิ์นั้นเสมอการทันมันนัดถิเส้ยเยวปาประโยชน์นัดตั้งแต่สาวกองค์ แล้แต่ผู้ที่เจ้าลงมาจนกระทั่งพื้นทรายว่าองค์สุดท้ายบรรณาบรรดาที่เป็นพระฐานแล้วความมีสุดเสมอกันไม่มียิ่งย่อนต่างกันเลยนี่เหมือนกันตรงนี้นี่แหละคือผลที่เกิดขึ้นจากทำติดด้วยการภาวนาทําไปโดยลําดับลำดั บ, บ, บแก้เกี่ยไปโดยลำดับจนกระทั่งแก่หมดโดยสิ่นเชิงแล้วเหลือความบริสุทธิ์ต้นล้วนนั่นแลผู้ทรงความสุขอย่างยอดเยี่ยมไม่มีอันใดที่จะเหนือกว่าความสุขประเภทนี้ท่านเรียกว่าโรกุตัลธรรมอันสูงสุดที่คือธรรมเหนือโลก เหนือโลกคือเหนือธาตุเหนือขันเหนือสิ่งใดๆทั้งหมดไม่มีอะไรที่จะยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์นี้นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการภาวนาศาสนาธรรมท่านสอนท่านมีเหตุมีผลคือดำเนินไปเช่นนั้นเช่นนั้นตามหลักท่านสอนไว้และผลก็ต้องปรากฏขึ้นตามตามอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เหตุมีอยู่ผลต้องมีผู้ปฏิบัติถูกต้องดีงานตามหลักธรรมท่านสอนผลจะไม่ได้รับอย่างไรคำว่าธรรมก็คือสวนขาธรรมจับได้ชอบแล้วไม่ใช่โมฆะธรรมผู้ปฏิบัติทําไมจะไม่ได้รับผล มรรคผลพิภานที่ว่ามันสูญสูญไปไหนมันสูญจากบุคคลผู้ไปสูญใจต่อาการปฏิบัตินั่นแหละแห้แต่ข้างพุทธการก็มรรคผลวิภานไม่มีสําหรับบุคคลที่ไม่สนใจแต่มีสําหรับผู้สนใจที่ปฏิบัติตามหลักพระเจ้าในสมัยนี้ก็เหมือนกันมัดคีมาคือสูนย์กลางต่อความจริงรอยู่เสมอสูงกลางเพื่อแก้ทิ่เดชเหมาะสมกับการแก้ทิ่เลชอยู่ตลอดไปไม่ว่าที่เดชตัวใดประเภทใดไม่สามารถที่จะผ่านพ้นอํานาจของ มัชชิมาปฏิบัติฐานนี้ไปได้เลยจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการแก้กิเลสของสัตว์โลกทัานเรียวกว่มามัชชิมาและมัชชิมาสมัยทุกวันนี้กับมัชชิมาตั้งแต่ทั้งตัวการมีต่างกันอย่างไรไม่มีอะไรต่างกันกิเลสก็ประเภทเดียวกันมัชชิมาเครื่องแก้กิเลสก็ประเภทเดียวกันเมื่อเรานำเอาเพื่อปฏิบัติควาตจา่ายกิเลสทําไมกิเลสจะไม่หลุดลอยไปได้ด้วยอํานาจแห่งการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมีงามตามหลักมัชชิมานั้นเล่าก็ต้องได้เหมือนกันเมื่อสะุวกความมองแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีสําหรับผู้ไ้ปฏิิบัตัตเท่านน แต่มีลักษณะผู้ปฏิบัติมีมากมีน้อยตามกําลังของความปฏิบัติของตนมีอยู่ตรงนี้เรียกว่าสวดคาธรรมตรัสไว้ชอบนิยาเนียธรรมนา ผ, ผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยดับจนกระทั่งถึงพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอันใดที่จะเหนือจากธรรมห้อยเจ้าไปได้ที่จะเป็นเครื่องแก้ที่เป็นเครื่องแก้ที่เละให้หมดสิดไปจา ก, กจิตใจเป็นเป็นที่ลงใจในการปฏิบัติธรรมและไม่มีใครที่จะพูดได้ถูกต้องแม่นยำยิ่งกว่าศาสนา เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วพูดตั้งแต่ความจริงทั้งนั้นความโคตรความโกงความหลอกคํามลวงต้มถุนอย่างโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่นํามาพูดเพราะมันที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเรื่องธรรมต้องพูดคงไปคงมาพูดตามเหตุตามผลพูดตามความสัตย์ความจริงผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามความศักดิ์สิทธิ์ทำไมจะไม่รู้ความจริงแล้วต้องรู้ลำใหญ่ก็อยู่ที่ตรงนี้ท่นานในอวสานอย่งการแสดงธรรมนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิพจารณาว่าธรรมที่แสดงปานนี้มีหนาบางมากน้อยเป็นไรเป็นที่แสดงหูแสดง ใจของท่านังหลายก็ขออภัยด้วยเพราะทํานี้เป็นทาปากของมากคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้กำลังทั้งหลายไม่มากก็น้อยเอ่าละเพียงเท่านี้